สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ่บาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูกันว่าชีวิตในพระวิญ ญ, ญาณเป็นครั้งที่สองเกี่ยวข้องกับพระราชกิจหลักของพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ผมอยากจะทบทวนนะครับว่าเมื่อเราบังเกิดใหม่นะครับเมื่อเราบังเกิดใหม่เราจะมีประสบการณ์ชีวิตคริสเตียนที่เกี่ยวข้องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไรเมื่อพระวิญ ญ, ญาณเสด็จมาเรานะครับ พระวิ ญ, ญญาณเข้ามาสถิตยอยู่กับเราและทําให้ร่างกายของเรานั้นเป็นวิหารของพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์หนึ่งโครินธ์บทที่หกข้อสิบเก้าหรืยี่สิบเมื่อเราเป็นวิหารของพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์แล้วพระองค์ก็เริ่มงานชําระเราให้บริสุทธิ์เรื่องนี้เป็นประเด็นแรกที่ผมจะพูดในเช้าวันนี้นี่คืองานของพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์หรือชีวิตในพระวิญญาณที่เราจะต้องสํานึกแต่หนักรู้อยู่เสมอ ว่าเราเป็นวิหารของพยายาระเยรันบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราต้องไม่ทําให้วิหารของพระองค์แปดเปื้อนเราต้องไม่ทําให้วิหารของพระองค์ซึ่งเป็นที่น้ำมสการเป็นที่ที่ชัดขิดของพระองค์ในชีวิตของเรานั้นแปดเปื้อนด้วยมลทินบาปพระองค์เริ่มชำระเราให้บริสุทธิ์โดยการที่เราเป็นวิหารของพระองค์เพราะฉะนั้นวิหารหลังนี้นะครับเป็นหลังที่มีความสาคัญ เกือบจะที่สุดแล้วครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นวิหารของเราเองเป็นวิหารที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้ทรงกระทํำให้เรานั้นจะต้องบริสุทธิ์เพื่อเราจะนมัสการพระเจ้าได้เพื่อเราจะทำงานของพระเจ้าได้เพื่อเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าได้เพื่อเราจะดำรงตนไม่ว่าจะทำอะไรอาชีพอะไรทำอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรนั้นเราจะต้องสานึกตะหนักรู้ว่าเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะทา วิหารนี้ให้เป็นมนทินไม่ว่าจะด้านเนื้อหนังก็ตามด้านจิตใจก็ตามพี่น้องครับด้านเนื้อหนังนี้พระพิพูดชัดครับว่าเราจะต้องรักษาเนื้อหนังของเราให้บริสุทธิ์เราจะต้องไม่แปดเปื้อนกับการลามกต่างๆเราจะต้องไม่แปดเปื้อนเป็นมนทินกับการล่วงประเวณีเราจะต้องให้ร่างกายของเรานั้นเป็นอเ ว, วะเพื่อที่พระเจ้าจะใช้เรานี่คือกระบวนการการชำระให้บริสุทธิ์ครับ เราต้องให้ชีวิตจิตใจของเรานั้นบริสุทธิ์ท่าทีในใจของเรานั้นต้องใสสะอาดท่าทีในใจนั้นต้องม่มีอะไรซ่อนเร้นท่าทีในใจนั้นต้องบริบริสุทธิ์ใสซื่ออินโนเซนต์พี่น้องครับกล่าวโดยสรุปก็คืองานของพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์นี้นะครับเปิดเผยให้เรารู้ถึงพระคริสต์เปิดเผยให้เรารู้ถึงตัวเราทําให้ชีวิตของเรานนั้นเป็นเหมือนพระเยซู เพื่อเราจะเจริญขึ้นครับพี่น้องการเติบโตสายฝ่ายจิตอิญทรีของเราเราต้องเจริญขึ้นคริสเตียนที่ไม่เติบโตนั้นก็เตรียมตัวที่จะตายเราเจริญขึ้นในความรู้ถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อยิ่งรู้จักองค์พระวิญญาณเจ้าเมื่อยิ่งรู้จักพระเยซูชีวิตของเรานั้นควรจะต้องเปลี่ยนแปลงด้วยการชำระของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปลี่ยนแปลงโดยมีเป้าหมายให้เหมือนพระเยซูแล้วเรารู้ว่าเป้าหมายพระเยซูเป็นอย่างไรแล้วก็ดูชีวิตพระเยซูในพระคัมภีร์สิครับเมื่อเราดูชีวิตพระเยซูในพระคัมภีร์แล้วเราก็จะรู้ว่าพระเยซูคิดอย่างไรเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์แล้วเราก็จะรู้ว่าพระเยซูเป็นใครคิดอย่างไรควรทําอย่างไรมีท่าทีอย่างไรในใจและพระเยซูปฏิบัติอย่างไรในชีวิตประจำวันพระเยซูอธิษฐานมากอย่างไรพระเยซูพึ่งพระเจ้าพระบิดามากอย่างไรพระเยซูใช้ความรักในภารกิจของพระองค์อย่างไร พี่น้องครับโดยฤทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณนั่นเองความปรารถนาชั่วอันเป็นธรรมชาติบาปเนื้อหนังวิสัยตกต่ําของเราก็จะถูกควบคุมได้พี่น้องครับในพระธรรมกะลเทียบทที่ห้าข้อสิบหกถึงยีสิบห้าพี่น้องอ่านจําได้ใช่ไหมครับว่านี่คือบริบทที่เกี่ยวข้องกับผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อความปรารถนาชั่วอันเป็นธรรมชาติฝ่ายต่ําของเราหรือฝ่ายเนื้อหนังของเรานั้นเรา มอบให้กับพระองค์พระองค์ก็จะควบคุมพระองค์ก็จะช่วยเราพระองค์จะเสริมกําลังเราพระองค์ก็จะหาทางออกให้เราเวลาที่เราตกอยู่ในกับดักหลุมพรางทั้งหลายวิสัยตกต่ําของมนุษย์นั้นก็สามารถควบคุมได้และสามารถกลับกลายเป็นผลดีหากว่าคนนั้นนั้นกลับใจและพร้อมที่จะเชื่อฟังมีท่าทีแห่งการเชื่อฟังเสมอในชีวิตของเขาเพียงกับนี้คือลักษณะคริสเตียนในพระวิ ญ, ญญาณ ชีวิตในพระวิญญาณนั้นไม่ใช่ว่าพระวิญญาณนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวของใครแต่ในขณะเดียวกันพรงช่วยเราส่วนตัวครับในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทําให้เราจับคริสเตียนคนอื่นๆนนรัด ก, กันพระองค์ทำหน้าที่ให้กับคริสเตียนทุกๆคนและรวมเราเข้ากันเข้าไปอยู่ในพระกายของพระคริสต์นี่เป็นประเด็นสําคัญด้วยพี่น้องครับประเด็น สำคัญก็คือว่าพระองค์นี่ทรงจับเราเข้าไปอยู่ในพระกายหรือพอบรรกายของพระเยซูคริสต์นั่นคือคริสตจักรนั่นเองครับพี่น้องสัมพันธภาพของคริสเตียนจะต้องเป็นสัมพันธภาพโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเป็นสัมพันธภาพในพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือเราทั้งหลายก็เป็นส่วนหนึ่งในพอบรรกายนี้เราเป็นพี่น้องกันเราควรจะต้องรักกันตามคําสั่งของพระเยซู และขณะที่เราเป็นผู้วิหารของเิ็นผูวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นการนัสการพระเจ้าย่อมเกิดในชีวิตของเราเี่ยวเรียกว่านัสการด้วยพระวิญญาณนัสการโดยพระวิญญาณหรือนัสการในพระวิญญาณเนี่นครับถามว่านัสการนั้นคือการถวายเกียรติการยกย่องสรรเสริญพระเจ้าใช่ไหมครับชีวิตของเราภายในเนี่ยยกย่องสรรเสริญพระเจ้าให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งหรือเปล่า แล้วชีวิตของเราภายในเนี่ยสัมเดงออกภายนอกทําให้คนอื่นนมัสการพระเจ้าด้วยกันกับเราขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันกับเราจริงๆหรือเปล่าพี่น้องครับนี่คือพระสกิตของพระวิญญาณและชีวิตในพระวิญญาณพระวิญญาณนําเราไปสู่ผู้อื่นพระวิญญาณนี่แหละครับไปสู่ผู้อื่นโดยผ่านตัวของเราทรงนําเราให้เป็นพยานเพื่อพระเยซูให้เรามีของประทานพร้อมมูลสําหรับงานรับใช้ซึ่งพระองค์เรียกเราให้เราทํา เพียงคำเวลาพระเจ้าเรียกเราให้เราทำนะครับโปรดอย่าพูดเหมือนโมเสสที่เคยพูดว่าข้าพเจ้าไม่พร้อมข้าพเจ้าไม่มีความสามารถเพราะว่าในขณะนี้มีของมาทานฝ่ายวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงงานงับใช้ที่พระเจ้าเรียกไว้กับเราทําอย่างแน่นอนครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพระวิญญาณนั้นยังทําอีกหลายอย่างครับเช่นพระวิญญาณนั้นทรงเป็นเครื่องรับประกันหรือเป็นผู้รับประกันมรดกที่เราจะได้รับเป็นสมศิี เราะนันชีวิตในพุทธิานั้นเป็นชีวิตที่เดินอยู่บนความหวังใจครับเป็นความหวังว่าเรามีวันหนึ่งนั้นจะได้รับบรดกเรามั่นใจและหวังใจได้ยังไงครับเพราะว่าพระวญญาณบริสุทธิ์ทําให้เราเชื่อพระญาณบริสุทธิ์ทําเราเชื่อและการที่พระิญญาณบริสุทธิ์มาสนิทกับเรานั้นเป็นเครื่องยืนยันพระสัญญาของพระเจ้าทุกอย่างครับพี่น้องเราก็จะเชื่อฟังทุกอย่างเราจะเชื่อทุกอย่างในพระสัญญาของพระเจ้า และในที่สุดนี่คือจะกายเป็นประสบการณ์ในพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือในพระเยซูนั่นเองพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและเราเข้าใจถูกต้องแล้วเราก็จะมีความสุขและมีไม่มีข้อขัดแย้งในชีวิตของเราข้อขัดแย้งในชีวิตของเราบางสิ่งบางอย่างนั้นควรจะต้องรับการแก้ไขครับพี่น้องการที่เรารู้จักพระวิญ ญ, ญาณมากขึ้นทาใหเรารู้จักตัวของเรามากขึ้นครับ พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเครื่องยืนยันพระสัญญาของพระเจ้าและเราจะได้ลองชิมแผ่นดินสวรรค์นในวันสุดท้ายก็คือวันที่พระองค์จะชุบกายที่ต้องตายของเราให้กลับเป็นขึ้นและมีชีวิตนั่นคืองานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือชีวิตในพระวิญญาณที่น้องครับวันนี้กล่าวรวบรัด นะครับสรุปเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับพระราชกิจหลักของพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราซึ่งก่อเกิดประสบการณ์ชีวิตคริสเตียนต่อไปคงจะเพียงพอนะครับที่เราจะเห็นว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดจบชีวิตคริสเตียนโลกนี้เราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่งพาพระราชกิจและกิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ยานเปโอลได้เขียนนะครับผมอยากจะสรุปในพระคัมภีร์ตรงนี้นะครับเป็นห้อสรุปในวันนี้คือเปโอลเขียนว่า คือพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานให้กับเราคือพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานให้กับเราผมเองนั้นเชื่อในข้อนี้และหวังว่าคริสเตียนทุกคนนะครับเราจะเชื่อพระวจนะของพระเจ้าไม่ต้องเชื่อตามผมครับแต่ผมกำลังอธิบายพระวจนะของพระเจ้าให้พี่น้องฟังเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจครับว่าเมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วพระวิญญาณเข้ามาในชีวิตของเราครับเรามีชีวิตอยู่ในพระวิญญาณ ร่างกายของเรานั้นเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณะเดียวกันครับพี่น้องของเราในเครือเจักรที่มีพระวิญญาณบังเกิดใหม่ก็เป็นพี่น้องฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักกันเราจต้องมีสัมพันธภาพในพระวิญญาณบริสุทธิ์และอีกประการหนึ่งก็คือเราจะต้องให้สร้างกายซึ่งเป็นวิหาร น, นั้นนมำสการเป็นที่นมำสการของเราเองและเป็นที่ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเมื่อคนอื่นมองเห็นชีวิตของเรา คำถามคือเมื่อคนอื่นมองเห็นชีวิตของเราแล้วคนอื่นได้พบพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าและนมัสการพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าขอพระเจ้าช่วยพี่น้องที่รักทุกท่านรวมทั้งผมด้วยอาเมน